ครั่งธรรมะนี่ดีกว่าคลั้งแต่เขาไม่ใช้คำว่าคลั่งหรอกเป็นผู้ใครรมำภาษาพราดดีกว่าเรื่องของวัตถุนิยมนะดีกว่าเรื่องของรูปเหรียญ น, นะเรื่องอะไรต่างๆต่งพวงไปศึกษาใครอยู่แถวนี้นะ่ <c oughs> มะ ม, มาหาวิทยาลัยก็เยอะนะทางเชียงใหม่เนี่ยถ้ามาหาวิทยาลัยไหนจัดก็จะได้เพราะว่าทางเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นเมืองใหญ่มากใหญ่มาก อำเภอหลายๆอำเภออยู่ใกล้ๆเนี่ยเท่ากับจังหวัดหนึ่งนะน่ะมันอยู่ใกล้กันแล้วพวกนักการศึกษามันเยอะครูบาอาจารย์ตั้งหลายตั้งปวงก็เยอะมากั้นเวลาไปเจอสัมพันธ์ที่หนึ่งคนมันจะจะรับข้อมูลได้เร็วแล้วเขามารวมตัวกันไวแล้วก็ได้ง่ายนี่ก็มหาวิเลยราชมงคลของเชียงใหม่ก็ใหญ่เด่นเนาะ เขาก็จะประสมนิเทศนักศึกษานี่งบประมาณออกแล้วให้อบลมติดต่อให้อบลมให้อบลมนักศึกษาใหม่ประมาณพันกว่าคนพันสองร้อยคนนี่แหละเขาถามลุงตาว่าอบลมให้ได้หมลุงตาว่าไม่ได้เอาครั้งละสองร้อยได้ไหมไม่ได้อบลมครั้งเดียวได้ไม่ในห้อประชุมไม่ได้ไไไดตกลงคือไม่ได้ แต่งบประมาณเขาก็ออกแล้วนะเขาเคยจะมาจัดอบรมอยู่ก็คิดว่าน่าจะคือในนั้นไม่มีกลุ่มครูบาอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มเราเนี่ยาอาจารย์สมใจหรืออะไรประมาณท่านก็อยากอยากให้คนเขาสัมผัสเรื่องสติอันนี้แต่ว่ามันเยอะไปนั้นทําไม่ได้มันมากเกินมันไม่เหมือนกับเอามานั่งหลับตารวมกันพันหนึ่งเนี่ยได้อยู่ไม่ให้มันกระดุกกระดิกนะนั่งเรียบร้อยนะ ใจว่างๆสบายเนี่ยไปถึงค่ำปวดได้ะแต่ถ้าให้ต่อสู้กับกิเลสเนี่ยมันไม่ได้แต่เยอะๆเนี่ยเลื่อนไขมันจะเปลี่ยนไปทันทีนคือถ้าเขา้าเน้นการเข้าถึงถึงพุทธภาวะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ ท, ที่ต้องทําเฉพาะตัวแต่ละคนแต่ละคนถ้ารวมกั น, นไม่ได้แต่หลักการตื้นๆเนี่ยป่ดได้แต่ถ้าให้มันอยู่เป็นวันโดยหลักการนี้ก็มันก็ยาก มันต้องมีกิจกรรมอะไรที่มากมายที่จะให้มันอยู่ปัจจุบันรู้สึกตัวทําไม่ได้ก็คงจะมอบให้พันสองร้ยคนเนี่ยเขจะมอบให้ครูเประ จ, จัดการที่วัดเนี่ยประถมนิเทศก่อนเปิดเทอมเขาก็ถามมาเอาที่โนนก็ได้เอาที่นี่ก็ได้ คือก็ดีนะที่ครูบาอาจารย์เขาเห็นความสำคัญในเรื่องพวกนี้แต่ว่าปัญหามันก็คือคนที่ทำงานสนองงานนี่มันมันไม่ค่อยมีอย่างพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยกำลังมันไม่พอมันน้อยถ้าไปเทศเฉยเฉยเนี่ยมันง่ายไปเทศเนี่ยง่ายๆเทศแบบนั้นก็เท่ากับเทศใส่วิทยุนั่นแหละ คนเยอะๆนี่เป็นพันเป็นหมื่นเท่ากับเทพไสยวิทยุแล้ว ม, มีผลอะไรมันก็มีผลมันยากตรงที่ฝึกนะฝึกและการโคดอย่างการฝึกให้คนเข้าใจธรรมะเนี่ยมันเหมือนกับการเท่ากับคนสอนคนให้เป็นหมอนะสอนหมอสอนพยาบาลกับสอนคนกรรมฐานเนี่ยเหมือนกันคือต้องเฝ้าดูในห้องแรมแล้วก็เฝ้าดูแลกํากับอยู่ไม่ให้มันผิดพลาดในการทดสอบการทดลองการอะไรประมาณนั้นนะ มันเป็นแบบนั้นเลยมันไม่เหมือนอาจารย์ที่สอนแล้วไปแล้วก็แล้วแต่คนจะทําไม่ใช่แบบนั้นกรรมฐานมันมันเหมือนกั บ, ก, บกับการสอนแพทย์สอนพยาบาลเลยนั้นในประเทศไทยเราเลยจึงไม่ค่อยจเจริญไงกรรมฐานเพราะมันไม่ค่อยมีสํานักสอนกรรมฐานที่สอนกันแบบจริงจงจังนๆะมีแต่สํานักที่เอาเข้ามานั่งแล้วก็เทศแล้วก็จบไปแล้วแต่มันจะทํา ที่พอทาเขาก็มีความจํากัดนะคือมันต้องบังคับด้วยอะเ น, นี่ยมันถึงจะไปได้ต้องเฝ้าต้องดูแลต้องตรวจสอบแต่งั้นมันก็ผิดเพี้ยนนะโรงพยาบาลจิตเวชสุดแถวแถวเรานี่จะเกิดขึ้นเยอะในะเดี๋ยวเนี้เนะพราะมันไม่ปกติเท่าไหร่กันนันก็ช่วยกันนะได้ยินข่าวมีธรรมะธรร ม, มเกิดขึ้นตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวนี้ช่วยกันไปไปฟังหน่อยไปศึกษาไปไปฏิบัติ บางทีเราอาจจะได้ยาติธรรมใด้หมู่ได้กลุ่มได้คณะขึ้นมาผู้ผู้ปฏิบัติทําด้วยกันผู้ฟังทําด้วยกันผู้เรียนรู้ทําด้วยกันเนี่ยเราก็จะกลุ่มใหญ่ขึ้นไม่ว่าสายไหนเถอะถ้าสายธรรมะเนี่ยมันเป็นอย่างเดียวกันนะธรรมะแท้นี่ต้องรู้แบบเดียวกันรู้แบบอื่นไม่ได้มันต้องรู้เรื่องจิตเรื่องใจเหมือนกันนะถ้าไปรู้เรื่องอื่นนอกตัวเรื่องชานี้ชาน้าอดีตนะคุไปไกลละไปไกลแล้วอันนั้น มันไม่ใช่เรื่องกายเรื่องจิตต้องไปเรียนรู้เรื่องนี้ถ้ามันอันเดียวกันคือมันต้องเป็นอันเดียวกันเราศึกษาดีๆเวลาไปเรียนรู้เราจะรู้หรอกอันไหนอันไหนถูกอันไหนตรงอันไหนคดอันไหนโค้งเนาะเตรียมตัว